ไม่ได้มุ่งหวังไปในทางธรรมะพระพุทธเจ้าตำหนิท่านตำหนิบอกพระองค์หนึ่งในครั้งพุทธการวัดป่าเชดตะวันมหาวิหารพระองค์นี้โลกทานอาหารผลที่สุดก็เลยตายตายตายก็คงจะอาหารมันจุกท้องยังไงก็ไม่รู้ละ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 เออพอเห็นพระพุทธเจ้ามาในทางที่ไม่มีทางหลีกทางเลี้ยงนะก็ปล่อยช้างออกมาช้างออกมากูวิ่งปั้นออกมาเลยแต่ตามเป็จริงอันนี้ก็ไม่น่ากลัวหลวงพ่อว่าเนะพราะว่าพระพุทธเจ้าหลบเข้าไปในบ้านใครก็ได้ใช่ไหมช้างมันจะรู้จักขนาดนั้นเหรอพอเราหลบเข้าไปมันก็ก็จบถนนหนทางทั้งสองข้ามก็ต้องมีบ้านคนทั้งนั้น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 นายขมังขนูคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือพระพุทธจเจ้าเพราะว่านายบอกให้ยิงผู้ที่มานำทางให้ดูแล้วกันยิงเลยคนนี้ก็เตรียมพร้อมอะไรไงกลับมาแล้วก็ธนูเตรียมอาบด้วยยาพิษอะไรแบบที่ว่าขมังขมังนเพราะมันมาสั่งมาจากหน่วยเหนือเนี่ยพอยิงเสร็จแล้ว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 พออิทธิฤทิ์ของพระพุทธเจา้าโกงอยู่ยงั้นจนน้ําลายไหลแล้วมันโกงมันหนักด้วยเนะี่ยเอาลงก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้เอาลงก็ไม่ได้เลยยืนกังจังอยู่นั่นนะอทํา ท, ท่าโกงทโนเนีนะ่ยพระองเอา้าเป็นไรเธอทําอะไรโอ้ยข้าพระองค์เขาบอกมาให้ข้าพระองค์ยิงยิงท่านเขาจะยิงเราทําไมพระองค์กระเถการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่น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 อันนี้ก็คือพระเทวทัตวางแผนฆ่าตัดตอนนี่แหละในครั้งกะนู้นก็เคยมีเพราะนั้นเรื่องความชั่วต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาไปในทางที่ชั่วเพราะนั้นน่ากลัวมากๆคือใจของพวกเราใจของสัพพจัตถ์ทั้งหลายมนโนผูพังคขมาธรรมามโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วดวใจ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 ศิลเป็นธรรมเป็นบัณฑิตนักปลัดใจตรงนั้นก็พร้อมที่จะไปสู่ความสุขความเจริญอยู่นจะสถานที่ใดมีแต่ความพาสุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าใจเป็นภาระชนใจเป็นคนพาลเสอย่างไปอยู่น่าสถานที่ใดเกรดือร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งเพราะเหตุไรเพราะใจเป็นภาระชนใจเป็นคนพาลใจผงวนชั่วใจเป็นมิตรมิจฉาทิฏฐิเป็นใจเป็น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 ในแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนามีมากหลากหลายถตอนนี้ไปรับพรอนโมทนาให้พร